ความทำเป็นความวยึดเส้นมากทางสิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเร่องรู้ทุกทางความรู้สึกทางด้านอิสระธรรมเด่นกว่าด้านอน คือความซึ่งในการให้ทานผู้ผมที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ประจักษ์กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทนึเกิดจากการนับตาสีน์ควซึ้งประเภทนึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ่งซึ่งกระแต่และประเภทนี้เรียกว่าที่ศูนนัทธธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมเห็นที่ซึ่งทั้งหลายก็คือกตรภาวนา เริ่มมีความรู้สึกทราบซึ้งไปตั้งแต่จิตนี้เริ่มมีความสง ด, ดจิตใจเรียนกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแน่แต่ยังมีอะไรอยู่ภายในใจิตที่รวมเข้ามาก็ตา่างแต่ก็เริ่นแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองใั้เห็นธาตถ้าจิต หรือทำเป็นจากด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี้คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาชาตนาธรรมเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องการเรื่องกันทางนั้นคําว่าดีคําว่าสุขคําว่ารซึัยคำว่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การไหนๆ ไ, ไม่เคยถือกาง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 ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งมันอื่นแม้จะเป็นนามธรรมค่าคืนกับธรรมก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทําแสดงตัวออกได้เช่นนั้นมืุอถืโลกมนุษย์จะต้องมืกถือ ศาสนาเพื่อทําำดุนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่ง ใ, ใดๆบรรดาในโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นต่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉพะาะจิตทํานั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งหือเป็นเป็นความขัดข้องอันการทาที่นำออกทกางวัตถุต่างๆไม่ได้ จึง ท, ทำให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจรรก็ไม่ทราบว่าความสัศนั้นคืออะไรหรือความลุกซึ้งความทราบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความทราบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรรเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหูก็ไม่เคยได้รับความอัศจรร์จากกระแสแห่งธรรม เพราะทำกระแดงเป็นกระแสะเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้ีเป็นอุปสรรคหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดความขับซึ่งในี่ยทำไม่ได้เกิดความทชกขถือในี่ยทำไม่ได้ไม้ว่าพระพุธทธเจ้าองค์ใดที่ด้มาตรัสรู้ในโลกและสอนทำแก่โลก ทุกะองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงสึดอ่านเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โบกไปมองเห็นธรรมซึ่งเป็นรองอาจนนยเพราะเขอาออตั้งริทโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจนล่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น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 ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประเสริฐอจ้าจรย์ตามขั้นตามภูมิหนึ่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทาง จ, จิตใจจนกระทั่งถึงความเจ้า จ, จั์อันสูงสุดได้แต่วิมุตความบุพ้นทางใจที่เรียกว่านิพานภายในใจทุกทุ ก, ทกทองจำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอา นำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสยุ่ยด้วยอากัปทิริยาต่างๆเช่นการแสดงพระแสดงอากัปทิริยาของธรรมมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท่แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิกอาอัศจรรย์ ดังกล่าวไม่มีองค์ใดในความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระพองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งธรรมอรจันทร์หลวงหนึ่งคืออัศจรรย์อยู่ที่จิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนําความอัศจรรย์ที่ปรากฏอยุ่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างอิ่มพืมนแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้น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 แล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลําดับลําดับนั่นคือว่าอะไรสัมผัสทำแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความขนาดแหลมคมในวิธีการต่งาอนแล้วก็ไมนมีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ไปได้แน้ยจะน้อยก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่อย่างสมควรจะเป็นไปได้แก่ลงมนุษย์เท่านั้น อย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้ขึ้นความอริจารย์ในทัพไทยจริงๆที่จะนำออกมาพี่คลายให้สาโลกได้เห็นวันนี้ความอาจารย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละโกงเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอริจารย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ความี่เด็ดครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมุลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติเกี่ยวบริสุทธิ์ทุกฝั่งหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อัศจ ร, รัน์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านเลยท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงได้สอนอูบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดอน่อยๆนำออกมาพูดนี่ก็เป็นลปมปากมาเดยความจริง อ, ออกมาไม่ได้ฉันอัศจรันตินี่นน ธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนําออกมาจต่ทีเรียก ว, ว่าธรรมชาตินั้นอจจัศจรรย์ให้เราได้คาดโดยหมายเอ่ว่าเป็นยังไอจจงอัศจรรย์นั้นก็มาหาสงข์ไฉ่แต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทําให้รู้ทำเห็นทำคือเป็นของอาจารย์เหล่า น, นี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแน่ เป็นความถูกต้องแต่พิส ป, ปิบัติดำเนินตามะจะยากลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุดหมายเช่นเดียวกันกับพิสดำเนินเพื่อวความลำบากอย่างนี้ไม่มีาการยากหรือการลำบากในไรก็ตามเราอยากถือมาเป็นทุกขสักในการดำเนิน คือการปฏิบัติของเรายาก็ต้องฝืนทุกลาบากก็ต้องผุเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบบส้งขามในขณะที่ทำงานนั่นแหละค้ว่าทำเป็นสนว่างจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ ยังท่ามืขันเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตของพระอรหันต์จิตสมงพระพุทเจ้าเราพูดได้เกี่ยวกันนัเพราะทามจากขันตอนแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะภาค พ, พินเทียบเทียมกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์บุตตามหลักธ ร, รมชาติขั้วกลมขังวไหลขตามก็ไม่วิสไม่ใช่วิสัยของเราที่จะได้พูดไปเรียกไปเทียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พื่งพิงหรือเป็นที่เทียบเทียง เส้นเดียวพวกเราอยู่บนอากาศาจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบค่ะบถ้าเรามีที่ดยูขึ้นอย่างบนพื้นแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเคียงนุพอพูดได้ว่าทิศใดทางไในเป็นทิศของอันไหนเหนือทิศใต้สูงต่างมันสูงต่างก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้ แล้วสูงจากนี้ไปทะลายต่ําไปเท่าไหร่เหนือไปทะลายใต้เท่ไาไหร่ตนอกกันออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าว่าอยู่บนอากาศจริงๆไม่มีอะไรพาดพืนพอจะวัดเนาะมันพูดไม่ได้เลยมือนอย่างเราบินที่มันบินบนอากาศเออไม่ทราบมันข้ามมันเร็วเท่าไร่เนี้ยถ้าผ่านก้อนเมืเ่แล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่ เครืบินมันคู้รดโดนไม่ได้ะสายการพาดทางพวกเราเนี่ยรถโวนมันวิ่งตามถนนนี่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรถโดนมันวิ่งมาข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองภาคทางมันล้มขึ้นข้างหลังล้มย้อนย้อนหลังไปเป็นมันนาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเพียงว่ารถโวนมันผ่านไปมันมันี่คือสิ่งที่สัมผัสพลาดพลาดพิงเราก็เหมือนว่ารถมันเร็วมันช้า เรบินมันมีอะไรพลาดทิ้นมองก็ไปเพียงเอื่อยๆเหมือนก็ว่าเรบินมันช้ากว่ารถดินความจิงก็โรบินมันเร็วกว่ารถเดินอยู่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของโดยชนกับจิตใจของพระเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านบดีอันไหนที่ท่านรประเสริฐโดยชนลำนักจะว่าไม่ประเสริไม่ดี สิ่งที่เจ้าของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้น น, นี่เป็นไปเหมือนรถยนมันยิ่งเร็วกว่ากรบินนั่นเองการปฏิบัติ จ, จิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโัวพันในจิตใจ แต่ <necessary. S 2> <ๆ>มากเรื่องของใจนั้นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเอกผิดขึ้นมาเรื่อยๆมันหยุดไม่ถอยแล้วเรากลุ้งอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกให้เกิดความเดือดร้อนมึนไม้เกิดความเสียใจกับพรความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิ่งนั้นนั่นเขาก็เป็นมีตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอหนังนี้ เป็นแต่เพี ย, วยงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่ง น, นั้นๆพระพุทธเจา้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่เ ม, มือง ม, มนุษย์เมืองมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยศัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดๆทุกครั้งอายะจัจังก็มีกัวกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะ มนุษย์ฉลาดมนุษย์ทายาทิยสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มารรคทูปปฏิบฏัติเพื่อแก้กิเลอสอันหาระวัตมนุษย์ก็ทราบมรรคคืออะไรถึงขึมาที่ปัญญาสรุปอย่างแล้วนี้เรื่องความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลาย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 าหากว่าเราได้พิจรารณาบ่อเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยได้จากความคิดตงึงต่างจะขึ้นไม่มีเวลาอีกเวลาถอยเลยขึ้นถึงหวัวใจเนี่ยตุงแต่อยู่เีงอยู่ยิดดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองออืุตลอดเวลา คิดออกไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยอย่างนี้โอยทุกข์เข้ามาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทยัยออกออกไปเป็นสมุทยัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตรงออกไปน่ะเป็นสมุทยัยเวลาผมย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะ่ะต้อคิดอย่งั้นตลอดเวลาเราจะทําให้มีความสงบเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นต้องฝึกกันเตร็มที่ แม้เะ่นนั้นมันยังต้องผลักดันออกคิปออกตูมจนได้ขณะที่เราเผลอน่ะเนี่ยเรื่องของทั้งหมไทยที่จะที่ผลิตทุกทีกเดือนสมัครเสมอมันอยู่ที่จาจมันเกิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกาหนดรู้การแก้ไขสมุทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยสดุดจ้องมองดูและงับดับมันที่ตรงไห น, น นั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนในเนื้อบทั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทําไหนเฉพาะอย่างนีงถึงนักบวชผู้ปฏิบัติเอากระแนตาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือฮาร์ดสถานที่อันเหมาะสมในการบังเพิกแต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลําดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยอันเป็นเสื่อมหนาต่อจิตใจ มันระ ง, งับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้เราจะเห็นในระะชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความทุตุงไม่มีความมุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่รปรากขนาที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยมื่ความตุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วย ทุกข์ก็สงกตัวไปด้วยเหรือจต่ความเย็นสบายนี่แหละสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องมาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคพเพูียรด้สติปัญญาศรัทธาความเพียนต่อสู้กับสงครามที่มันก่อเกิดอยู่เสมอภายในใจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆ เ, เพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษหงความคิดปรุงทั้งหลาย ที่มันกออควรอยู่เสมอเสมอมาและถึนคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยกัเป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบด้วยกําลังแห่งความสมงในตําราท่านอาจารย์คิวสมาธิจิสตสงบลงไปแล้วไปรวมกลอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหจิตรวมลงเป็นสมาธิ มีสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปในเรื่องสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจทูจะทําให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ถลกผู้ทําเองสมาธิมีความสงบแต่ก็มีความร่มเย็นเป็นปกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตเนี่ยหนามันคมในความบอกแดดความแพร เหมือนเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบอยู่ภายในตนก็เช่นนั้นอะทำนองนั้นก็ทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยืดหยุ่นนิ่งวายอยู่ไม่ขาดวักขาดต่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยว่งใจฐานเรียว่าสมาธิเป็นสิ่ง เป็นเรือนใจอันนึ่งปัญญาคือความแยกหายความคิดความพิพิจารณาสอบสอบใ น, นเหตุใ น, นผลทั้ ง, า ง, ง, ง, างทางนอกทางในดวงบนดวงหลังสถานทางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิต ท, ที่คิดออกในแง่ใดปัจจุตญาตามทิกพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตามความคิดของมตุกของใจที่ตามสภาพของสังขารที่มีใ น, ในตัวของเรา หเห็นตามเป็นจริงจะไปพิจารณเกี่ยวกับความจริงการพิจารณาทำทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่ไปฝืนความจริง เ, เกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มันเป็ น, น, ำบบนลำดับตึ้าอายุกี่ปอก็แก่มาแล้วทั้งติดนะจนกทั่งถึงอาวุธสารในชีวิตมันแก่เป็นที่แล้วมันก็หลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขนาดแที่เกิดอ แฉะวันแฉะเดือนแฉะปีมาแล้วก็แฉะมาหลายๆปีแฉะมาเรื่อยๆร่างว่าคนเจริญเติบโตนั้นแฉะจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่งมันมนี่นี่คือทางหลวงพัศน์ธรรมดาหลักธรรมชาตินเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี่เราอยากฝืนเขามันแฉะแล้วก็ไม่อยากจะแฉกจากนุ่มอยู่เสมอจากเท้าอยู่เสมอคีอแบบฝืนความตื่มันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่ไดเรื่อง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 แม่มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติท่ อ, ององานพิจารณาตามความจริงทองมันอย่างนี้เราก็ทํายเอามันไปไหนก็ให้รู้ตามความจริงมันไปมันเก็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกก็คือความตายในธานขันธ์ี้ที่สุดตรงนี้ทั้งนั้นก็ให้ทราบ ต, ตามความจริงหมันโดยไม่ต้องไปฝืนและต้องไปตั้งคำหยาขึ้นเพราะตั้งคำหยา ก, ก็คือความบกพร่องหรือความหงุดหยนั่นเอง ความมีหงุดหว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาอะเพื่ออาการใดเช่นหิวนอ น, นก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์ที่โดหิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นก้องหลีเมื่อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันร่นงตั้งแต่เรื่องก่บปวนเรื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฝืนปัญญาภคพิญญาาจนาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาให้กินเตียวกันกับความปีนมันก็สบาย เราเรียนในตัวของเรานี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุอันเดียวอันนี้แในธาตุจากนันเน่ยเรื่องความเกิดก็ธาตุอันนี้เกิดมาเจริญหรือแก่ขึ้นมาแล้วก็แกข่ขึ้นที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนใดส่วนหนูจนได้มั น, น, น, น, น, น, นงเจ็บูที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่นเรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธําต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตจนก่อนอึด เยือนรอบเยือนตกเรื่องความความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความทรมานทั้งหดของตัวเองเยือนตกควางตายตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทานกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทานกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อ่านรู้ทำให้ทานกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี้แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหว เนียทำไปหนึ่งจริงเดียกว่รู้จริงเดียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ให้ฉลาดเพียจําได้เฉยเฉยฉลาดด้วยแกความสงสัยแกความขัดข้องตนด้วยแกความยึดมั่นถือมั่นสำคัญปิดท้องตนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆด้วยกันแล้วก็ดทามายขันให้เป็นขันล้วนของเขาไปอย่าไปยุ่งแจะไปแย่งชิงอำอำนาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้ก็เป็นอย่างนี้จะไปบังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวของเขาปิดก็พิจารณาตัวเอง จนกระทั่งทราบเองถ้าจะบังคับไม่บังคับจิตเพื่อมีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงมันกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติธรรมท่องบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันอะไรแจก็แตกะถ้าด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบลงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจริงขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรียนธรรมเรียนอย่างนั้นรู้แล้ว อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจง ม, มุดเป็นเรื่องของโลกเท่านัน้นผ่านดกคันผ่ณาณยศนาผ่านันท่าขันสิงแกนนันเป็นอาการอหนึ่ ง, งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติเป็นอาการอันหนึ่ ง, เ ป, าานนงเป็นเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้แก้สิทธิ์ขึ้นโมหมองฆ่าล้างสิงทธิ์ขึ้นโมมองออกไป จนกระทั่งเกิดความโปร่งใขึ้นมาภานจิตใจเพราะหน้าของปัญราเป็นพูทารังโปร่งใเลยสปร่งใสไปแล้วก็บบริสุทธิ์น่ะเหน็นได้จริงบริสุทธิ์ขอ้อมลทิพ์หมดประจากษใจความต้องการต่างๆที่เป็นเรื่องขอกิเลสมันหมดประจากใจใจก็ บ, บริสุทธิ์ใจบริสุทธินั่นเองชื่อว่าเรียนเรื่องนี้ตัวจบอุสิตังกระมาจัยยังกระตังการณียางนี่รงกับทรรมบทนี้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 มันไม่มีหลงแล้วนี่มีแต่รู้รู้รอบขอบคิดแลนี่แหละคิต ด, ดวงนี้แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสรเป็นปรธรรมอัศจรหมายถึงจิตถึงธรรมดวงนี้แต่แต่สิ่งที่ทราบอยู่โดยลํำพังตัวเองเท่านั้นดยูโดยเฉพาะตัวเองอัศจรก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเอง าก็สราอยู่ภายจิตแต่ไม่สามารถที่จะนำออกขี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองขอให้ตัวพุทธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตก็ปกโซมงทั้งหลายออกนั้นสียสิ่งที่ประเจิดนักพิการนั่นก็จะปรากฏขึ้นในธรมธรมชาติโดยธรรมชาติตัวเอง คือเกิดกับนี่นิตมีเยนเรียนทาจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันเรียนโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนทําก็คือทําขั้นไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนีมงม้มุติธรรมจบพื่อการทั้งนั้นเรียนโลกกระจบทเรียนทําก็รอบก็จบหายส่สัย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 โลกกว้งแสนกว้างไมีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาจะพาะเรื่องใจเท่านัะเองใจที่หลงตัวเองหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแก้ตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจมโดยสิ้นเพลิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันทางนั้นทางนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่านอื่เรียนทําจบเรียนอย่างนี้เร่ยนโลกเรธาตุเรียขันจบก็จบรงที่หนุนทางพยายามทํา ไให้เห็นความมรรจารย์ดังที่กล่าวแล้วในดวงกบพระพุทธเจา้าพระดีพร ะ, พระสงฆ์สาวกอรีท่านมีทํามมราจันอยู่ภายในพระไท่ไทย ใ, ใจเราก็เป็นลกิษสถากดมีจิตอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงธรรมมรรจรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะภาษาให้ลงสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเป็นะารอุณาให้พยายามทาให้ปลปดภัยให้สงบ ความพยุติคือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยุติคือความสงบถ้าสงบแล้วก็สดถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นนเป็นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปถ้าสงบได้วอยู่ไหนก็เย็นไปหเย็นที่ใจนี่ยทําให้ใจยเย็นร้อนระคูใจร้อนไปเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจ น, น, น, นี่ละยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เลืนารวัตที่มันเป็นอยู่ภายใน ใ, นในจนี้้มันเดิเ่มแต่ธรรมชาติ ทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลกเวลาเอจวิตุตรงเพียงแข่นี้เทาล้